4. โพชนวัตรสาปรัมประโพชนาสิกขาบทว่าด้วยการฉันปรัมประโพชนะเรื่องชัยกรรมกรผู้ยากจน221สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพทธเจ้าประทับอยู่ณกูตาคาราสาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้งนั้นพวกชาวบ้านจัดลำดับวาระถวายพระทหารอย่างประนีตไว้ในกรุงเวสาลี ครั้งนั้นชายกรรมกรยากจนคนหนึ่งได้มีความคิดดังนี้ว่าท่านนี้ไม่ใช่เป็นคนต่าต้อยเพราะพวกชาวบ้านเหล่านี้ได้ช่วยกันจัดพัฒหาโดยเคารพเอาเถิดแม้ตัวเราก็พึงจัดพัตหาบ้างครั้งนั้นชายกรมกรผู้ยากจนคนนั้นได้เข้าไปหาหนายจ้างชื่กีรปติกะถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับนายกิรปฏิกะดังนี้ว่า นายท่านกระผมต้องการจัดพัฒนหารถวายภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขท่านกรุณาให้ค่าจ้างแก่กระผมด้วยนายกิรปติกะมีศรัทธาเลื่อมใสยอยู่แล้วจึงได้ให้ค่าจ้างแก่เขามากกว่าปกติครั้งนั้นชายกรรมกรผู้ยากจนคนนั้นได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควร ชายกรมกรผู้ยากจนคนนั้นผู้นั่งหน้าที่สมควรแล้วได้กราบรัตนาพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าขอพระผู้มีพระภาคพร้อมกับภิกษุสงฆ์โปรดรับปัะทานของข้าพระพุทธเจ้าเพื่อฉันในวันพรุ่งนี้เถิดพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาสกภิกษุสงฆ์มีจํานวนมากท่านจงทราบชายกรรมกรผู้ยากจนกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญถึงภิกษุสงฆ์มีจํานวนมาก ก็ไม่เป็นไรข้าพระพุทธเจ้าจะเตรียมผลพุทธาไว้มากมายน้ําพุทธามีเพียงพอพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพครั้นชายกรรมกรผู้ยากจนทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกขึ้นจากอาสนะถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคทำประทักศิลละจากไปภิกษุทั้งหลายได้ทราบข่าวว่าชายกรรมกรผู้ยากจนนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุก เพื่อฉันพระทหารในวันพรุ่งนี้น้ำพุทธามีเพียงพอภิกษุเหล่านั้นได้เที่ยวบิณฑบาตแล้วฉันแต่เช้าตรูท่ทีเดียวพวกชาวบ้านได้ทราบข่าวว่าชายกรรมกรผู้ยากจนนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพวกชาวบ้านเหล่านั้นจึงได้นำขาธิยโพชน ي ญาหารจำนวนมากไปให้ชายกรรมกรผู้ยากจนครั้งนั้นแหละตลอดราตรีนั้น ชายกรรมกรผู้ยากจนได้จัดเตรียมขาทนิยะโพทนิาหานอย่างประณีตให้คนไปกราบทูลพัตการว่าได้เวลาแล้วพระพุทธเจ้าข่าพัตทหารเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าข่าครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอัตราวาศกถือบาทและจีวรเสด็จไปถึงที่อยู่ของชายกรรมกรผู้ยากจนครั้นถึงแล้วได้ประทับนั่งบนอัศนะที่เขาจัดถวายพร้อมภิกษุสงฆ์ทีนั้น ชายกำมกรผู้ยากจนถวายพระทหารภิกษุทั้งหลายที่หอฉันพิกษุทั้งหลายได้กล่าวอย่างนี้ว่าอุบาสกจงถวายแต่น้อยเถิดอุบาสกจงถวายแต่น้อยเถิดชายกรรมกรผู้ยากจนกล่าวว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายพวกวพระคุณเจ้าอย่าเข้าใจว่าผู้นี้เป็นกรรมกรยากจนแล้วรับแต่น้อ ย, อยเลยกระผมได้จัดเตรียมขาธิญญาโพธิญาหารไว้เพียงพอพระคุณเจ้าทั้งหลายปโปรดรับไว้ ให้พอแก่ความต้องการเถิดภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าพวกอาตมาขอรับแต่น้อยไม่ใช่เพราะเหตุนั้นแต่พวกอาตมาได้เที่ยวบินธบาติฉันมาแต่เช้าแล้วต่างหากดังนั้นพวกอาตมาจึงขอรับแต่น้อยน้อยลำดับนั้นชายกรรมกรผู้ยากจนจึงตําหนิประนามโพลธนาว่าฉนัยพระคุณเจ้าทั้งหลายที่เรานิมนต์ไว้แล้วจึงได้ไปฉันในที่อีกแห่งหนึ่งเล่าเราไม่สามารถจะถวายให้พอแก่ความต้องการหรือ ภิกษุทั้งหลายได้ยินชายกรรมกรผู้ยากจนตาหนิประนามโพนธนาบรรดาภิกษุผู้มากน้อยจึงพากันตาหนิประนามโพนทนาว่าฉะน้นภิกษุทั้งหลายรับนิมนต์ไว้ที่หนึ่งแล้วจึงไปฉันในที่อีกแห่งหนึ่งเล่าขันภิกษุทั้งหลายตาหนิภิกษุเหล่านั้นโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกล่าบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ